วั น, นี้เป็นวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2558เมื่อวานหลวงพ่อสะเทือนใจลูกหลานคณะทายาทโยมเพราะในเขตเมืองอุดรของเราไม่เคยได้ยินที่พระจะถูกฆ่าถูกกิงแต่เมื่อวานพระอาจารย์หมอ คู่บาหม อ, อที่ถูกยิงตายตอนออกบินทบบาทขากลับจากบินทบบาทาถ้าใครถามก็ว่ามัน เ, เป็นยังไงถูกยิงใครยิงคนหลวงพ่อตอบได้เพียงแค่นั้นว่าคนยิงจะทำยังไงคนที่ยิงก็คงจะไม่ใช่บัณฑิตนักปราชญ์อกค็คงจะเป็นคน ผลาชนแต่สรุปแล้วจะทำยังไงเกิดมาในโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่พระหมอท่านหมอคูบาหมอเมื่อท่านจบจากหมอจุลาท่านเรียนดีนะ เ, เกือบจะว่าได้เหรียญทอง <c oughs> ของจุลาพอจบแล้วท่านก็นมาลงที่อุดรเพราะพ่อแม่ของท่านอยู่ที่อุดร เป็นลกหลากจุี่อุดรพ่อของท่านก็เป็น จ, า <c oughs> จ, าาจาา่าจ่าศาลจ่าศาลคล้ายๆเขาบอกผู้จ่จายคดีให้กับท่านพิพากษาเนี่ยไม่ใช่จาา่าศาลปัดกวาดศาลไม่ใช่นะท่านเป็นจาา่าศาลเป็นผู้จ่ายคดีให้ผู้พิพากษาที่ว่าความท่านก็เป็นผู้ใหญ่พอสมควรที่เป็นพ่อของท่านอท่านกับเนี่ยมีฐานะทั้ง โล ก, ก็พอสมควรจากนั้นท่านก็เรียนจบท่านเป็นมีพี่น้องด้วยกัน ส, ส, สองคนผู้หญิงหัวปีและท้ายปีสวนท่านเป็นคนกลางฮะจากนั้นท่านก็พอจบจากจุลาและท่านก็มากลับมาที่อุดอรทางจังจังหวัดอุดอรก็เห็นว่าที่จะปกคลองได้ เพราะในช่วงนั้นโรงพยาบาลขึ้นมาใหม่ก็หาหมอหาแพทย์ก็ยากก็เลยส่งครูบาหมอเนี่ยมาเป็นผ อ, อโรงพยาบาลนายุงเป็นคนแรกเพราะจ้า ง, งโรงพยาบาลมากระทานเป็นคนแรกเป็นผ อ, น อ, อ, อท่านบริหารดีพี่น้องประชาชนชาวอาเภอนายุงคงระลึกได้หมอคนแรกของ นายูงที่ดูแลพระดูแลคณะสัตยาย่าโจมลูกหลานจากนั้นท่านก็อยู่หลายปีจากนั้นท่านก็ได้ย้ายขอย้ายไปอยู่ที่อำเภอชชยวานจังหวัดอุดรเหมือนกันพอท่านย้ายไปอยู่ที่นั่นก็ไม่นานท่านก็ขอเรียนขอย้ายเขาไปเรียนขอเอาไปเรียนเฉพาะทางที่จุลา พอท่านเอาไปเรียนที่จุฬาได้ตามปกติมันสาปีอลไรๆนี่สามไปสี่ปีคงปก็จําไม่ชัดแต่ท่านได้เรียนประมาณแค่ครึ่งหนึ่งเอท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายเราหลวงพ่อก็ถามน่ะเออท่านหมอที่ท่าน เ, เกิดความเบื่อหน่ายทําไมไม่เบื่อหน่ายแต่ทีแรกทําไมไปเบื่อมันหน่ายที่นั่นหลวงพ่อเนี่ชอบถามซอกแซกนะเอสอนถามความรู้สึกของ ผู้ที่ <c oughs> เกิดความใคลายว่าเห็นโทษนะ่ะท่านบอกว่าผมไปทำงานอยู่ผมเป็นมหมอเฉพาะทางอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาปีหนึ่งผ่านไปปีสองเขาก็ให้ดูแลคนไข้เป็นผู้ใหญ่ข่าวนั้นคงจะเป็นท่านอธิบดีตำรวจท่านเป็นแมลง เขามารักษาอยู่ที่ตึกกี่ชั้นของจุลานะท่านก็ขึ้นไปดูเลนะท่าน <c oughs> ท่านเป็นเป็ น, <c oughs> ปนคนไข้ของท่านทางโรงพยาบาลมอบให้ท่านเป็นเป็นผู้ดูแลเป็นหมอประจำดูแลใกล้ชิดแล้วก็หมออื่นก็เข้ามาดูครลางคราวแต่ท่านประจําแต่โอ้รู้สึกว่าทั้งลูกน้องบริวารปกปิดไม่ให้ใครรู้ ขนาดผมเนี่ก็ลงขึ้นลงก็ลําบากผมก็มาพิจารณาดูแลขนาดเจ้านายใหญ่คนนี้ขนาดนี้ก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยหนอถ้าเราเนี่ยต่อไปต่อไปภ า, ายภาคหน้าจะเป็นยังไงเออเราเนี่ยก็คงไม่หลีกเลี้ยนิหนีไม่พ้นอย่างนี้นะอถึงจะเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจนเจ้านายขนาดนี้ก็ไม่หนีไม่พ้นคือความตาย ผมพานพิจารณาถึงความตาย <c oughs> ผมก็เลยย้อนมาหาตัวเองผมก็เลยตัดตัดสินใจลาออกจากหมออ่ลาออกจากการเรียนขอบวชนี่แหละสาเหตุที่ผมผมผมสลดใจในใจผมก็เลยบวชบันบวชท่านแรกท่านบวชที่ท่าเกียร์นะออำเภอหนองบัวซอกับหลวงปู่เก้าพ่อแม่ท่านไปรักษาศีลอยู่ที่นั่น จากนั้นท่านบวชได้พรรษาหนึ่งจากนั้นท่านก็มาอยู่ที่นาคําน้อยของเรากระจาพรรษาอยู่ที่นี่แต่หลวงพ่อก็จําไม่ได้เพราะปีกี่ปีแต่ท่านบวชปีสามแปดนะปีสามแปดปีนี้ปีห้าแปดกับบวชทำมาก็ยี่สิบพรรษาที่ท่านมรณภาพในยี่สิพรรษาผ่าน <c oughs> ไม่ใช่พ่าน้อยผ่านหนุบแต่หลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าไปหลวงพ่อก็ ในช่วงนะั้นหลวงพ่อก็คงจะเป็นสาสิบพรรษาเพราะปีนี้หลวงพ่อก็ห้าสิบพรรษาแล้วนะลูกหลานนะแต่ว่าเอายี่สิบลบห้าสิบคงหลวงพ่อก็คงจะ30สิบพรรษากับเป็นพระที่มีอายุพรรษาพอสมควรที่ช่วงท่านมาอยู่ด้วยนะจากนั้นท่านก็ได้ออกไปจําพรรษาในที่ต่างๆแต่ท่านหมอมีน้ําใจนะคนมีน้ําใจเพราะท่านได้เรียนรู้ เป็นหมอมาแล้วนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เนี่ยนแะหละหลวงพ่ อ, อยังเรียกหาท่านเวลาพระเจ็บไข้ได้ป่วยแต่นั้นทานก็ดูแลเจ้าคุณพระอุดรมยานโมลีท่านก็สร้างตึกให้กับโรงพยาบาลตึก CICU นี่นี่ที่จะฉลองอีกไม่นานเนี่ยนะที่พระเทพจะเสด็จก็เก๋เป็นความคิดของพระหมอเนะี่ยท่านหมอ อ, องค์นี้แหละ แต่พอต่อมาเนี่ยก็ไม่รู้สาเหตุอะไรเราก็สุดที่จะเดาเหมือนกันผลเอกสุขัตันก็ถูกยิงเมื่อวานวันที่หนึ่งมีนาเวลาประมาณเจ็นาฬิกากว่าๆเ ก, กือบแปดนาฬิกาหลวงพ่อก็พอทราบข่าวหลวงพ่อก็ได้ยินหลวงพ่อก็จะเทือนใจพอสมควรเพราะคนรู้จักมักคุ้นกันจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ฉันจะหันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ออกไปเอาพระ ในวัดออกไปแลป้วก็เรียกพระท่านรัตนะที่รู้จักมักคุ้นให้เข้ามาช่วยงานแต่เมื่อวานเข้าไปก็รู้สึกว่าพระเนนก็เข้ามาร่วมงานมากอยู่พี่น้องประชาชนกําลังไหลเข้ามา เ, เข้ามามากทั้ทงตํารวจทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้การจังหวัดคล้ายๆว่างานนี้เป็นงานที่สะเทือนใจ ของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่นับถือพุทธศาสนาไม่น่าไม่น่าเกิดที่ไม่น่าเกิดขึ้นที่เมืองอุดร น, นะแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงห <c oughs> ลวงพ่อกฟังๆดู้ะหลวลงพ่อก็กลับมาเมื่อคืนนี้หลวงพ่อก็ถลบแล้วก็คือหลวงพ่อไปณนะสถานที่ใด รวยมากมีแต่พวกหลุนน้องๆทั้งหมดอายุพรรษา น, น้อยกว่าหลวงพ่อเกือบทั้งหมดเพราะนะั้นหลวงพ่อไปที่ใดก็ต้องไปเป็นหัวหน้าแสดงความคิดเห็นมีอะไรเขาก็มาปรึกษาหลวงพ่ออืเอาตึกยังไงหลวงพ่อก็เคารพในฐานะของพ่อของท่านพ่อของท่า น, น, เ, ปนานะ เ, เป็นพระนะเอพระเป็นพระบวชมาหลายปีเคารพนับถือลูกชายลูกชายกเขอ สรุปแล้วก็คือมีพ่อแมอ่ที่อยู่ในวัดนะสรุปแล้วก็คือเหมือนสุวรรณสุวรรณสามนั่นนะท่านหมอเนี่ยนะเหมือนสุวรณวรณสามสุวรรณสามถ้าพวกเราได้อ่านในชาดกสิบชาติของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นลูกเป็นลูกของฤาษีอยู่ในป่านะคือมีพราหมณ์สองผัวเมีย ตั้งแต่เกิดมามาแล้วก็พือทั้งทั้งคู่นะทั้งผัวทั้งเมียนะี่ยลงมาจากพรหมลงมาจากพรหมมาเกิดคือพรหมนี่ยสวยความสุขด้วยปีติสุขเอก ข, าขาตาเนะี่ยไม่ได้เสวยความสุขด้วยกามกิเลสเหมือนกับสวรรค์หรือมนุษย์หรือสัตว์ที่รชาญถ้ามนุษย์หรือสัตว์ที่รชาญสวรรค์ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคล้ายๆอยู่ด้วยการม ก, กิเลสแต่พรหมเลยลงมาจากพรหมเลยสวยปีติคือความอิ่มใจสุขเอกคาตาคือความปล่อยวางท่านลงมาเกิดพอมาเกิดแล้วก็พ่อแม่ก็เลยให้แต่งงานกันพอแต่งงานกันแล้วก็ท่านไม่มีเรื่องการม ก, กิเลสท่านก็เอาดอกไม้แขันดอกไม้มาวางไว้ตรงกลาง ในเวลานอนออต่างคนก็ต่างและเลือกถึงความสุขคือชาญของตอนเองต่อมาพอพ่อแม่ตายแล้วท่านก็สละราชสมบัติไม่ใช่ราชสมบัติเป็นพรามครับกำมอบให้พี่น้องลูกหลานทั้งหมดเ อ, อที่พักพาใส่เงินคำทรัพย์สมบัติสละให้หมดอออเสละให้เก็บกับใครใครก็ต้องการทั้งนั้นแหละใช่ไห อ, อแต่ว่าเป็นเสเลด เป็นเฉล็ดขี่เธอน้ำลายน้ำโมกของพระของผู้ต้องการความพ้นทุกข์แต่เป็นที่ยินดีของมดของมแมลงที่ต้องการเรื่องลาบยศสรรเสริญสุขอันนี้ ค, คือท่านก็เสียสละพอท่านญาติพี่น้องก็รับมรดกไปท่านก็เข้าไปอยู่ในป่า พอไปอยู่ในป่าสองผัวเมียท่านก็อยู่แบบพรหมเหมือนกันคือบำเพ็ญเรื่องศีลสมาธิตลอดต่อมาเนี่ยพระ อ, อินทร์อยู่บนสวรรค์ท่านมองดูแล้วเอ๊ถ้าหากว่าสองตายายอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีลูกขึ้นมาเนี่ยแล้วจะทำยังไงกรรมของสองตายายเนี่ยกรรม เ, เขาทำกรรมไว้ทั้งคู่เนี่ยจะต้องตาบอด น, น จะต้องตาบอดทั้งคู่เพราะว่าเคยได้เป็นหมอยาหมอยาตาเขารักษาตาเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ค่าเขาไม่ให้ค่ายาเนะ่ยก็เลยทําให้ตเขาตาบอดนะเพราะเขาตาบอดได้เนั้นะกรรมเท่านั้นจะตามสนองนะต่อไปพามสองผัวเมียจะจะตาบอดได้ไนงะเพราะอินมองเห็นไนะเพราะอินเลลงมาจากสวรรค์ลงมาก็บอกว่าเออท่าน ให้อยู่ด้วยกันแบบคาวาดญาติโยมทั่วๆไปนะให้ท่านมีลูกสักคนทั้งสองผัวเมียก็บอกว่าไม่ได้นะตั้งแต่เกิดมาเน่เรื่องการมกิเลสไม่อยู่ในหัวใจของเราทั้งสองเลยพระอินก็บอกแนะนำว่าให้ใช้มือลูกที่เนาะที่ท้องท่านจะตั้งคันจากนั้นสองผัวเมียก็ปฏิบัติตามพอ เอามือด้วยความสัมผัสเทวบุตรก็ลงมาเกิดด้วยเทวบุตรก็คืออยู่สันสวรรค์ลงมาเกิดในท้องของฤาษีที่อยู่ในป่าจากนั้นก็มีลูดคลอดลูกออกมาเป็นชายพอเป็นชายขึ้นมาแล้วแต่นี้ชื่อตั้งว่าสุวรรณสามส อ, สองตายายสองภูเมียตั้งชื่อชื่อว่าสุวรรณสามจากนั้นสุวรรณสาม ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเด็กพอรู้เรียงสาภาวะใดมากันเป็นเด็กที่มีเมตตาเออพวกแก่งพวก ว, กวางพวกอะไรกระจงกระเจงอะไรเข้ามามาเป็นเพื่อนทั้งหมดเอ่อพราะในสูตรเนี่ยพอเป็นหนุ่มขึ้นมากันพ่อแม่ก็เลยตาบอดเลยพ่อตาบอดทั้งคู่เียพ่อแม่ก็ไปไม่ได้ พ อ, อนั้นสุวรรณนั้นสามก็ต้องดูแลผลนิบัติพ่อแม่ปัดกวาดทาความสะอาดหาผลละหมากหลากไม้เออเลี้ยงดูทั้งพ่อทั้งแม่อย่างที่พระอินมองเห็นพอต่อมาที่นี่ท่านก็พกเก่งพว ก, กวางทั้งหลายมาเป็นหมูเป็นเพื่อนอท่านก็ได้ตุ่มน้ำเนี่ยท่านก็ตํามทำเป็นดินเหนียวแล้วก็ปั้น เ, เสร็จแล้วก็พกเก่งพว ก, กวางมาท่านก็เออ เอามัดใส่สหลังมันให้เอาตั้งใส่หลังเก่งหลังกวางหลังละมังพอตั้งเสร็จหลังมันแล้วก็เอาเชือกมัดมาให้มันตกเนี่ยมันคงจะเป็นเก่งททเทวดามาเกิดมั้งเออมันก็ค่อยเดินไปอพอไปถึงที่แล้วก็สุวรรณทัศน์เนี่ยก็เอาหม้อตุ๋นน้ำลงมากับมาเทเอใส่ตุ่มในบ้านให้แม่พ่อแม่ได้ใช้ จากนั้นก็ไปขนน้ําก็ใส่ล้างเก้งล้างกวางนะหลังกระจงตัวไหนใหญ่ก็ใส่น้ํามันมากหน่อยขนมาใส่ตุ่มพ่อแม่ได้ใช้ตอนนี้ท่านก็อยู่ได้ป่าด้วยความผาสุขทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกสามคนเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดทั้งคู่ผลที่สุดวันนี้พวกพระเจ้าภาราณีสีเนี่ย ไปหาล่าสัตว์ในป่าพอไปหาล่าสัตว์ในป่าเดินเดินเดินไปพอได้ยิงตันนี้ก็ยิงเอาธนูยิงไปคนเดียวอีกต่างหากนะพอได้ไปเห็นพวกเก่งพวกกวางเดินเป็นฝูงกับสุวรรณนะสามเอ๊ะถ้าเราจะเข้าไปถามเดี๋ยวพวกเก่งพวกกว่างก็จะแตกหนีไม่รู้อะไรเลยมันเป็นทำไมเก่งกวางจึงเป็นเพื่อนกับ กับคนอันนี้มันคนนะเอใส่น้ําเอาตุ่มใส่หัวแล้วก็เดินอันพวกเก้งพวกกวางก็ใส่หลังอีกต่างหากเราจะเข้าไปถามถ้าเราไปถามมันจะต้องหนีเราควรจะเอาธนูยิงอนี่แหละเอออเาธนูยิง ย, ย, ยิงใหญ่ไขยิงไขยิงใส่สุวรรณน่สามธนูไม่ใช่ธนูธรรมดาอาบด้วยยาพิษอีกต่างหากนะเอาจากนั้นอพระเจ้าแผ่นดิน พาราณสีเนี่ก็บทัพเจ้าพมธาตุเนี่ยก็บโก่งธนูได้ก็บยิงเลยของมในจริงก็เข้าลักแล้พอดีเลยเอ่าทีนี้ยาพิษบางคืนโอ้ไข่น้องมาจริงฆ่านะพวกเก่งผกวางก็แตกไปคนละทิศละทางเลยนะเนี่ยอ่กระจุยกระจายไปหมดท่านจุกวันนับสามคนล้มลงเลยนะเ อ, อ่พอล้มลงเอ็งข้างๆนะเอามือข้างหนึ่งเท้าหรือเอามือหนึ่งก็จับลูกศร ใครมายิงฆ่าหนาะฆ่าก็ไม่ได้ทำร้ายทำรายใครฆ่าก็ดูแลพ่อแม่ถ้าฆ่าตายไปแล้วพ่อแม่ของฆ่าแล้วจะทำยังไงเนอะนี่ไอ้ีมตลำพึงถึงพ่อกับแม่ไอ้อันนี้นายพานเข้าไปก็ไปยืนโอ้ตายฆ่าเนี่ยทาเกินไปแล้วนะเอาเถอะท่านถึงท่านจะตายไปแล้วฆ่าเองจะเป็นผู้ดูแลพ่อแม่ท่านฆ่าจะเป็นรับใช้เหมือนกับท่า น, น เออท่านโอ้ยเปยังไงก็เออท่านดูแลพ่อแม่ของข้านะพ่อว่าจากนั้นก็เลยเอพามไอ้พระเจ้าพรมธาตุเนี่ยก็เพระเาะนั้นก็สลบอยู่ที่นั่นแหละพระเจ้าพรมธาตุเก็ได้ตุ่มน้ำอะไรกันนั่นนะเนี่ยออกไปแต่พ่อแม่ตาบอดอยู่ดีอาสมนะเดินก็ไม่ไม่เหมือนเดินลูกชายเดินนี่แต่นี่ไอคนอื่นเดินเดินไอ้ชอบชอดัง แต่ลูกชายเนี่คยค่อยๆเดินฮะไม่ให้กระเทือนเออทั้ทงพ่อแม่กตาบอดทั้งครูใครเดินมานั่นค่าพระเจ้าเองพระเจ้าพระเจ้าเป็นใครถามโอ้พระองค์มาทําไมโอ้ยข้าพระเจ้าได้ทําความผิดได้ยิงลูกชายของท่านแล้วเอ้าจะทําไมยิงที่ไหนเอากย็ยิงอยู่ที่นั่นที่นี่ผลที่สุด ก, ก็เลยโอ้พาข้าไปสิวะจงยังไงก็ลูกของข้าเออจะนั่งก็พระเจ้าแผ่นดินก็เลย จูงคนตาบอดสองตาใหญ่ไปหาลูกชายอาพอหาลูกชายไปจับโอ้ยลูกไอ้ทราทำไมถูกจริงนอนด้วยสัจจะอธิษฐานด้วยพ่อแม่ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความเสียหายให้กับผู้ใดใครผู้หนึ่งด้วยสัจจะอธิษฐานนี้เขาขอให้ลูกฟื้นคืนม า, อ, าอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดไปโดยเทอนินโดยแรงจิตอธิษฐานพระอินทร์ก็ลงมาช่วยอีกต่างหากนะ ท่านก็เลยฟื้นคืนมาก็ เ, าเลยเถวพย า, า, าพระเจ้าแผ่นดินก็โอ้ยสารภาพผิดอย่างสุดๆเนี่ยเห็นโทษข้าในทําผิดไปแล้วทท่านโอ้โหสีให้เอพระสวนะสามท่านมีเมตตาอยู่แล้วท่านก็ให้โอ้โหสีท่านไม่ถือโทษโกรธเคืองนะนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนามีอยู่นะ อแต่ว่าผู้ที่กระทาผิดนั้นสํานึกผิดว่าได้ทําผิดจริงทําด้วยความไม่ตั้งใจคล้ายๆว่าอยากจะรู้ว่ามันไหมเนี่ยเพียงแค่นั้นแ่ะแต่ก็ทํากรรมผลในสุดท่านก็หายกระดูแลพ่อแม่ของท่านต่อไปนี่อันนี้คือชาตินั้นเป็นชาติทุวันทสามเราดูแลพ่อแม่ตาบอดอันนี้ก็ดูๆแล้วคูบาหมอของเรากรับหลวงพ่อดูๆแล้วก็อนพอได้เห็นแล้วก็สลดโหดหู่ พ่ออายุแปดสิบแม่ก็จะเท่าๆกันแต่เมื่อวานนะคุณยายแม่ของแม่ก็มากับร้องหูร้องให้พยุงปีกกันมาเห็นแล้วโ อ, อ้ไม่รู้จะทำยังไงนั่นแนหะสรุปแล้วก็คือเราท่านทั้งหลายมีความจำเป็นทุกคนอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้ว จะทําให้ตนเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่ในชาตินั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเป็นสุวรรณสามพ่อกับแม่ของเรานั้นเป็นพระมหากรัสปะเป็นมหากรัสปะกับนางๆๆๆพิภิภิภิเพิภิภิภิภิภิเษยคือมหากรัสปะนะนางพัฒกาพิลานีถ้าหลวงพ่อจังไม่ผิดนะอคือเป็นเมียของพระอ กัตะในยุคสมัยนี้เนี่ยพระมหากัตถะท่านก็เกิดมาชาตินี้ท่านกไ็ไม่มีไม่มีไม่มีลูกอีกเหมือนกันนะอ่แต่พระเจ้าเป็นดีนนั่นคืออท่านบอกว่าถ้าผมคอยจำไม่ผิดอีกเหมือนกันนะอ่ท่านว่าเป็นองค์ุลิมานอ <c> อ <oughs> องค์ุลิมาน <c oughs> องค์ุลิมานเกิดมาเพบใดชาติใดเนี่ยอโดยมากจะเป็นนักเลงเป็นบู๊ตลอดน <c> ะ <oughs> บู๊ตลอด เกิดมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าองค์คุริมาณเกิดมาพบอะใดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ใช้แต่ถึงอย่างก็สยบสยบต่อพระพุทธเจ้าใครๆว่าเชื่อฟังถึงอย่างไงจะดุขนาดไหนก็เถอะยอมยอมกับพระพุทธเจ้ายอมไยยนี่แหละอันนี้ก็คือคนที่เคยบําเพ็ญมาด้วยกันเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็หลวงพ่อเปรียบสาธกให้ฟังอถ้าว่าเราไปทํากรรมจับ ผู้รดผู้ใดก็ตามไปทําสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเนี้ยอย่างสุวรรณ3นสเนีใครเดือดร้อนก็นคือพ่อแม่ตาบอดเดือดร้อนมากที่สุดไม่รู้จะทํำยังไงอยู่ในป่าอย่างนั้นอีกเหมือนกับฆ่าคนหนึ่งก็ตายสตายสามทั้งลูกนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งมวลเกิดมาในโลกเนี่ยจะทําอะไรสิ่งไหนก็ตามต้องคิดให้ดีคิดเป็นกุศลทําเป็นกุศลพูดเป็นกุศลอย่าไปคิด ชั่วทำชั่วพูดชั่วเมื่อคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วความชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอหลวงพ่อได้พูดเป็นแนวความคิดให้กับคณะทศไทาญาติโยมลูกหลานพาะเนนได้ฟังนะแล้วก็พวกเราให้โอปัญญโกสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วกิดไหนคิดดีเขีนไหนคิดชั่วทำชั่วให้พวกเรารู้ แต่บางคนก็สงสัยอีกว่าเออหลวงพ่อคิดเอาตัวไหนมาพูดว่าชั่วนั่นคืออะไรดีนั่นคืออะไรนะบางคนถามอย่างนั้นก็มีนะหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจา้าเทพท่านเป็นปราฏิท่านบอกว่าดีคือผู้มีศีลห้านั่นแหละดีละ่ะดีมาตรฐานดีระดับขั้นต้นผู้ที่มีศีลห้านั่นแหละเป็นคนดีถ้าคนไม่มีศีลห้าเนะี่ยลองลงมาถ้าผู้ที่ลบร่วงเกินศีลห้านะ เออนั่นแหละคนที่ไม่ดีเอถ้าล่วงเกินมากๆฆ่าด่าไปเลยไม่มีสูงไม่มีต่ําอันนั้นไม่ดีขโมยด่าไปเลยไม่มีสูงมีต่ํานั่นแหละไม่ดีเอลาลาบละล่วงสามีภรรยาลูกหลานของใครไม่เคารพสิทธิของใครนั่นแหละไม่ดีเห็นคนโกหกตอแหลต้มตุ๋นตลอดนั่นแหละไม่ดีเมาอยู่ตลอดไม่ดีทําความชั่วทุกอย่างนั่นแหละไม่ดี นั่นแหละคือความไม่ดีนะั่นคืออะไรคือศีลห้านะถ้าคนล่วงละเมิดศีลห้ามากๆนะั่นแหะคนไม่ดนะีถ้าคนดีคือคูคนมีศีลห้านะเพราะฉะนั้นให้พวกเราให้รู้จักว่าดีและไม่ดีจนะุดจุดไหนหุ ด, จ, ด, จ, ดจุดนี้แหละเป็นเครื่องวัดกันนะตอนน่อไปไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร